มีความหมายอยู่ตรงที่ว่ามันมีความลึกลับเป็นชั้นๆเรารู้จักกันแต่ชั้นนอกๆที่เรียกว่าชั้นสมมุตินี่หมายถึงตามสติปัญญาของคนทั่วๆไปพระพุทธศาสนาจึงมีการสอนให้ดูการหลายๆชั้นท่านมีวิธีแนะให้ดูการจำแนกโลกออกเป็นฝ่ายวัตถุซึ่งเรียกว่ารูปธรรมอย่างหนึ่ง ฝ่ายจิตใจเรียกว่านามธรรมอีกฝ่ายหนึ่งยิ่งกว่านั้นท่านได้แบ่งส่วนที่เป็นนามธรรมหรือจิตใจนี้ออกเป็นสี่ส่วนเมื่อเอารูปประธรรมหนึ่งส่วนมารวมกันเข้ากับนามธรรมก็ได้เป็นห้าส่วนท่านเลยเรียกว่าเบนจะขันหรือขันหแปลว่าส่วนห้าส่วน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 จำแนกไปได้คือส่วนที่หนึ่งเรียกว่าเวทนาหมายถึงความรู้สึกสามประการคือสุขหรือพอใจอย่างหนึง่งทุก์หรือไม่พอใจอย่างหนึง่งอีกแบบหนึง่งอยู่ในลักษณะที่ไม่อาจเรียกได้ว่าสุขหรือทุกคือเป็นเรื่องที่ยังเฉยๆอยู่แต่ก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันความรู้สึกนี้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 หรือจำได้ว่าเป็นอะไรเช่นรู้ว่าเขียวแดงสั้นยาวคนสัตว์ตามแต่จะจำได้นั่นแหละเป็นความรู้สึกของสมปะรืดีหรือสัญญาในที่นี้ส่วนที่สามเรียกว่าสังขารมีความหมายมากจนมันปนกันยุ่งไปหมดเราพูดถึงสังขาร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 ส่วนที่สี่เรียกว่าวิญญาณหมายถึงจิตที่ทำหน้าที่รู้สึกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นและที่กายทั่วๆไปตลอดถึงใจของตนเองด้วยซึ่งไม่ใช่เจตพูดอย่างที่คนส่วนมากเข้าใจกันขันห้านี่แหละเป็นที่เกาะยึดของอุปทานทั้งสที่ได้อธิบายแล้ว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 เราจะมองดูตัวอย่างในเรื่องเราลหลงไหลในการมัศุกโดยเฉพาะก็คือความอริอร่อยความถูกอกถูกใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆที่ได้รับอยู่ตัวเวทนาในที่นี้ก็คือความรู้สึกอริอร่อยซึ่งเป็นความสุขแล้วก็ไปติดความสุขนั้นคือความอร่อยนั่นเอง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 และการดีใจเสียใจก็เป็นการทำให้จิตใจเหน็ดเหนื่อยเท่ากันทำให้เกิดการหวั่นไหวทางจิตได้เท่ากันทั้งหมดนั้นเรียกว่ายึดเวทนาเป็นตัวตนขอให้ทุกคนพิจารณาความยึดเวทนาว่าเป็นตัวตนของตนในตนเองให้เข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆจะเป็นหนทางทําให้เป็นอิสระจากเวทนา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 เวทนานี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ง่ายกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดเพราะมันเป็นสิ่งที่มุ่งหมายสูงสุดของสิ่งที่เราภาคเพียรทากันเราอุดสาศึกษาเล่าเรียนอุตสาประกอบการงานอาชีพต่างๆก็เพื่อให้ได้เงินแล้วก็เอาไปซื้อหาสิ่งต่างๆเช่นของใช้ของกินเครื่องบารุงบําเรอ ตลอดจนถึงรถพิเศษจากเพศตรงข้ามแล้วก็บริโภคของเหล่านั้นเพื่อหวังอย่างเดียวคือสุขเวทนากล่าวคือความอริเออร่อยทางตาหูจมูกลิ้นและทางกายเราลงทุนด้วยกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจทั้งหมดก็เพื่อหวังสุขเวทนาอันเดียวนี้เท่านั้นก็รู้อยู่แก่ใจกันดีทุกคน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 ตกเป็นาธาตุของสุขเวทนาดังที่กล่าวมาแล้วการทำสงครามกันนั้นไม่ใช่เพราะมีมูลมาจากความยึดถือเกี่ยวกับลัทธิหรือเกี่ยวกับอุดมคติอะไรก็หาไม่ได้ที่แท้แล้วมันก็เนื่องมาจากประโยชน์สุขต่างฝ่ายจะมุ่งให้ได้แต่ประโยชน์มากจะกอบโกยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว ลัทินั้นเป็นเครื่องบางหน้าหรือเหตุประกอบรองรองลงไปเท่านั้นส่วนลึกที่สุดอยู่ที่การตกเป็นทาตของสุขเวทนาฉะนั้นการรู้จักเวทนาก็หมายถึงการรู้จักมู ล, ลเหตุอันสาคัญที่ทําให้เราตกเป็นทาตของกิเลสหรือความชั่วจนได้รับความทุกข์ในทุกระดับ เมื่อมนุษย์เป็นอย่างไรเทวดาก็เป็นอย่างนั้นคือตกอยู่ภายใต้อำนาจสุขเวทนาอย่างเดียวกับมนุษย์และยิ่งกว่ามนุษย์เพียงแต่เขาสมมติให้เป็นเรื่องที่ดีกว่าประนีตกว่าได้อย่างอกอย่างใจกว่าเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ไปพ้นจากเรื่องตันหาอุปาทานหลงติดอยู่ในรสอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเอง สูงขึ้นไปถึงขั้นพรมก็ต้องยกความอร่อยทางกรามรมรลมออกเสียแต่ก็ไม่พ้นจากความอร่อยทางจิตอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฌานหรืออยู่ในสมาธิเกิดความสุขใจเป็นรสอร่อยขึ้นมาก็ติดใจในรสอร่อยนั้นเหมือนกันแม้มิเกี่ยวกับกรามรมรลมก็เป็นสุขเวทนานั่นเองยิ่งสัตว์ ที่ต่ำลงไปกว่ามนุษย์ด้วยแล้วมันย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุขเวทนาอย่างไม่เป็นระเบียบยิ่งกว่ามนุษย์เรามากมายนะักฉะนั้นการรู้เรื่องของเวทนาว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะรู้เรื่องเวทนาว่าไม่ใช่เป็นตัวของเราเลยไม่ควรจะยึดถือจึงจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ชีวิตของคนเราจริงๆถัดไปก็คือเรื่องสัญญา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 ทางตาหูจมูกลิ้นและกายพอสิ่งนั้นกลับสู่ร่างกายอีกจึงจะรู้สึกสมปรือดีตามเดิมมีสติสตังขึ้นมาตามเดิมคนเข้าหลงเชื่อกันอย่างนั้นมากเหลือยิ่งมีทางที่จะยึดเอาสัญญาหรือสมปรือดีนี้ว่าเป็นตัวตนมากขึ้นแต่ถ้าว่าการตามทางพุทธศาสนาแล้วสัญญาไม่ใช่เป็นตัวตน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 ความนึกคิดความรู้สึกที่จะทำนั่นทำนี่จะได้นั่นได้นี่เป็นความคิดดีก็ตามชั่วก็ตามแสดงความเป็นตัวตนหนักขึ้นไปอีกใครๆก็จะรู้สึกว่าถ้าจะเป็นตัวตนกันบ้างแล้วก็ตัวผู้นึกคิดนี่แหละน่าจะเป็นตัวตนมากกว่อย่างอื่นอย่างนักปราชญ์คนหนึ่งของยุคปัจจุบันเขามีปรัชญาของเขาง่ายๆว่า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 ความลำบากเข้าใจยากอยู่ตรงที่ว่าพวกเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของนามธรรมาหรือจิตใจอย่างเพียงพอเรารู้จักกันแต่เรื่องของรูปปัทท์ที่เป็นวัตถุแต่ธาตุอีกประเภทหนึ่งที่เป็นนามธรรมาไม่ใช่วัตถุเราแทบจะไม่เข้าใจกันเลยเราจึงเข้าใจยากในเรื่องของการปรุงทางนามธาตุ ในที่นี้บอกได้แต่เพียงตามหลักพุทธศาสนาว่าเป็นการปรุงของธาตุหลายๆธ า, าตุรวมทั้งวัตถุธาตุและนามธ า, าตุสิ่งที่เรียกว่าความคิดหรือสังขารจึงเกิดขึ้นในใจของตัวเราเองและทำให้เข้าใจไปว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้คิดเชื่อไปในทํานองว่าเป็นเจตพูดเป็นวิญญาณ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 นั่นแหละเป็นเจตพูดหรือเป็นตัววิญญาณที่แล่นเข้าแล่นออกจากใจมารับความสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนี้ก็มีและก็ยึดถือเอาเป็นตัวตนตามหลักพุทธศาสนาถือว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นถ้ารูปและตาพร้อมทั้งประสาทตาได้มีการกระทบกัน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 จึงจะถึงขนาดที่ถอนความยึดถือเรื่องนี้ได้หน้าที่อันจะพึงปฏิบัติในเรื่องเบญจขันธ์นี้คือต้องทำให้มีความรู้แจ้งเกิดขึ้นเพื่อขจัดความโง่เสียและก็จะเห็นเองว่าไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเป็นตนอันน้ายึดถือเมื่อนั้นการยึดถือก็จะแตกสลายลง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 ก็พ่อพูนหนาแน่นขึ้นทุกวันในการพูดจาก็ใช้คำว่าฉันท่านผู้นั้นผู้นี้ซึ่งล้วนแต่ย้ำการมีตัวตนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้เป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้เป็นสามีคนนั้นเป็นภรรยาคนนี้ล้วนแต่ระบุไปในทางที่เป็นตัวตนทั้งนั้น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 เราเกิดความฉลาดจนมองเห็นว่านี้เป็นของหลอกเราก็จะหมดความยึดถือว่านั่นเป็นนายกนายขอเป็นขุนเป็นหลวงเป็นพระเป็นพรยาเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์โดยเห็นว่าเป็นเพียงเรื่องที่คนเขาสมมุติขึ้นพูดกันในทางสังคมเท่านั้นเองถ้าเขาเข้าใจได้อย่างนี้แล้ว ก็นับว่าเป็นการเพิกถอนสิ่งที่หลอกลวงของสังคมได้ชั้นหนึ่งเมื่อพ <cousin of> <mind> ิจารณาดูร่างกายทั้งหมดของนายก็จะพบว่านายกนั้นเท่ากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัมพันธ์กันการเห็นอย่างนี้ก็ฉลาดขึ้นมาอีกหน่อยเรียกได้ว่าไม่หลงติดในการสมมุติทางโลก จะแยกให้ละเอียดออกไปอีกก็มีทางทำได้เช่นรูปร่างกายนี้แยกเป็นธาตุดินน้าลมไฟหรือไม่แยกอย่างทางวัดวัดเขาก็แยกกันจะแยกทางวิทยาศาสตร์เป็นคาร์บอนออกซิเจนไฮดโดรเจนก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเห็นลึกเข้าไปอีกคือมันหลอกลวงเราได้น้อยเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง กลายเป็นเห็นว่าคนไม่มีมีอยู่แต่าธาตุต่างๆร่างกายเป็นรูปธปาตุจิตเป็นนามธาตุแยกออกเป็นส่วนย่อยๆทำหน้าที่ต่างๆกันเช่นรู้สึกนึกคิดและรู้ทางประสาททั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้ความรู้สึกว่านายกนายขขุนหลวงพระพระยาก็หายไปความรู้สึกว่า ลูกของเราผัวของเราเมียของเราก็พลอยหายไปด้วยแต่เมื่อดูกันในแง่ปรมัติจะปรากฏว่าแม้ธาตุดินน้ำลมไฟธาตุออกซิเจนไฮดโดรเจนหรืออะไรก็ตามจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตาม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 ความทุกข์ก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นใครจะเรียกเขาว่าคนดีคนชั่วคนสุขคนทุกข์หรืออะไรก็ตามไม่เป็นของแปลกสำหรับเขาทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการมีความรู้ความเข้าใจและมีความเห็นแจ้งในความจริงของเรื่องเบญจขันจนถอนความยึดติดที่ผิดผิดทั้งสี่ประการนั้นเสียได้